ได้ว่าประเทศไทยเรานั้นมีเรื่องราวลึกลับมากมายทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องผีเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะรู้เหมือนกันแน่ว่าในประเทศไทยวัดใดบ้างที่ขึ้นชื่อเรื่องลี้ลับไม่น้อยและอาจจะขนลุกกันอย่างแน่นอนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของห้าวัดในประเทศไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องเฮียนที่สุดค่ะ เริ่มต้นกันที่วัดที่1ค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือวัดปิตุลาทิราชรังศฤษด์ษจังหวัดฉะเชิงเซานะคะทําไมถึงต้องบอกว่าวัดนี้เฮียนก็เพราะว่าวัดนี้มีตํานานของวิญญาณเฮียนที่ลานประหารวัดปีตุลาทิราชรังศฤษด์ษ เดิมชื่อว่าวัดเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะการประหารชีวิตอั้งยี่ที่วัดเมืองเมื่อปี2391ในสมัยรัชกาลที่3ครั้งนั้นเนี่ยเป็นข่าวดังไปทั่วหัวเมืองต่างๆบ้างก็รู้สึกสาสมใจบ้างก็รู้สึกสงสารแล้วก็เกิดทุกขเวทนา ศพอั้งยี่แต่ละศพเป็นผีหัวขาดนะคะแล้วก็ถูกนําไปฝังแบบไร้ญาติไม่มีใครกล้านําศพไปทําพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีเพราะเกรงนะคะว่าอาจจะถูกประหารตามไปด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดค่ะก็เลยจําเป็นต้องปล่อยให้พ่อแม่หรือว่าจะเป็นลูกแล้วก็พี่น้องของตัวเองถูกตัดหัวไปต่อหน้าต่อตาความตายของอั้งยี่นั้นทุกทรมานนัก จิตสุดท้ายก่อนสิ้นลมเต็มไปด้วยความกลัวค่ะแล้วก็มีอารมณ์โกโรธแค้นชิงชังยามที่วิญญาณออกจากร่างก็เลย จิตเนี่ยยังยึดอารมณ์ดังกล่าวเป็นที่ตั้งจนนำไปยังทุกขติยภูมินะคะที่อยู่ในโลกของวิญญาณในภพภูมิที่ทุกทรมานแรงอาฆาตแล้วก็แรงพยาบาทของความแค้นที่ยังคงฝังใจก่อนความตายจะมาถึงทำให้วิญญาณแต่และดวงไม่สงบสุขหาทางไปเกิดไม่ได้เพราะว่าเป็นวิญญาณตายหงที่ยังไม่ถึงเวลาตายแต่ด้วยกรรมมาตัดรอนจาต้องตายวิญญาณทั้งหลายจึงต้องสิงสถิตยอยู่ในวัดเมืองเต็มไปหมด วัดเมืองจึงขึ้นชื่อนะคะว่าเป็นวัดผีดุมานับตั้งแต่นั้นด้วยกิจลิศัก์ความเฮี้ยนที่เคยมีผู้พบเห็นอ้างยี่ประสบหลายคนคะ่ะเล่าว่าเห็นคนจีนเลือดท่วมหัวหิ้วหัวเดินรอบวัดบ้างบางคนก็เป็นคนแขนขาดขาข า, ขาดไส้ไหลเดินโซซัดโซเซผอมเหลือแต่กระดูก สภาพอดอยากหิวโหยไม่มีใครทำบุญไปให้เพราะว่า ญ, ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักคงจะกลัวนะคะว่าถ้านำเครื่องเส้นไหว้ตามประเพณีจีนก็กลัวจะถูกจับได้อีกจนทำให้วิญญาณอดโซทรมานจึงออกอารวาสหลอกหลอนหนักขึ้นไปอีกค่ะวัดที่สองนะคะคือวัดสุวรรณารามอยู่ที่บางกอกน้อยค่ะ วัดสวนารามเดิมเรียกว่าวัดทองสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีค่ะเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตากสินทรงมีพระราชดำรัสให้นำเฉลยสศึกพม่าจากค่ายบางแก้วไปประหารชีวิตที่วัดสวนนารามนะคะบริเวณริมคลองบางเกอกน้อยที่นี่ก็มีเรื่องผีอยู่มากเช่นกันคุณผู้ฟัง ด้วยวัดสุวรรณเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยทวยาแล้วก็เมื่อมาถึงสมัยกรุงทนบุรีบริเวณวัดแห่งนี้ก็ยังใช้เป็นลานประหารชีวิตฉเฉลยพม่าในการตัดคอ ซึ่งก็มีเรื่องเล่ากันนะคะว่ามีคนเคยเห็นร่างของผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่นุ่งผ้าโจงนะคะแต่ไม่มีหัวค่ะมายืนอยู่ให้เห็นส่วนสถานที่ที่นำศพเหล่านั้นมาฝังก็คือบริเวณที่เป็นวงเวียนสนามวัดสุวรรณารามแล้วก็ลานวัดสุวรรณารามในปัจจุบันที่เชื่อว่าบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่เคยฝังศพก็เพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อครั้งมีการขุดปรับแต่งพื้นที่บริเวณนี้ ก็มีคนพบกระดูกคนอยู่มากมายก่กองและก็มีเรื่องเล่าน่ากลัวปากต่อปากจากรุ่นสู่ ร, รุ่นและก็มีคนเคยพบเห็นกระดูกท่อนขาหรือท่อนแขนก็ไม่ทราบแต่ว่ามีกําไรทองคลองอยู่แสดงว่าเจ้าของกําไรนั้นน่าจะเป็นทหารพรมาร่าระดับนายกองชั้นผู้ใหญ่พอสมควรคนที่ขุดเจอกําไรก็เอาไปขายและนาเงินมาซื้ออาหารให้ภรรยาที่กาลังตั้งท้อง แต่ว่าในคืนนั้นก็ฝันเห็นทหารพม่ามาบีบคอทวงกำไรคืนและภรรยาก็เสียชีวิตแบบที่เรียกได้นะคะว่าตายทั้งกลมต่อมาจึงมีการตั้งศาลเพียงตาไว้ที่บริเวณโรงเรียนวัดส่วนแห่งนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือหากใครที่มาไหว้ศาลแห่งนี้แล้วมองเข้าไปในศาลก็จะเห็นภาพวาดเป็นรูปกองทหารพม่าไว้สามรูปแทนที่จะมีเจเวกนะคะอยู่ในแบบศาลทั่วไป ก็คงจะเป็นการระลึกถึงดวงวิญญาณของทหารพรมาร่าที่เสียชีวิตในอดีตอีกท้งด้านหน้าศาลก็ยังมีพีระมิดเล็กๆไว้ด้วยนะคะโดยมีความเชื่อว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นที่ที่มีอาถรรพ์นะคะก็เลยต้องใช้พีระมิดสะท้อนสิ่งอาถรรพ์นั้นออกไปค่ะ วัดที่3ในกรุงเทพนะคะคือวัดพลับพลาชัยค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าวัดที่เรารู้จักกันดีแถวย่านป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะมีอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดพลับพลาชัยตั้งอยู่ด้านหลังวัดเทพศิรินภายในนี้ก็จะมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณวัดแต่เดิมวัดพลับพลาชัยมีชื่อเรียกนะคะว่าวัดโคกหรือว่าวัดโคกอีแร้ง เดิมที่วัดนี้เป็นที่ประหาร น, นักโทษเหมือนกับวัดสะเกดศพที่ประหารแล้วก็จะถูกส่งต่อไปด้านหลังวัดสะเกดนะคะซึ่งบริเวณนั้นก็จะถูกเรียกว่าประตูผีค่ะอย่างที่บอกนั่นแหละพอประหารเสร็จปุ๊บบางครั้งทางวัดก็จะปล่อยให้อีแร้งมากินศพที่ถูกประหารบริเวณนั้นก็เลยมีอีแรงชุกชุมชาวบ้านก็เลยเรียกกันติดปากว่าวัดโคกอีแรงค่ะ ต่อมาบ้านเมืองจเจรดิญขึ้นมีการสร้างถนนไม่ก็ขุดถนนแถวหน้าวัดพลับพลาชายัยเพื่อซ่อมแซมแต่เมื่อขุดลงไปทีไรก็เจอแต่โครงกระดูกอยู่ใต้ดินเต็มไปหมดทุกครั้งและก็ในรัชรัชสมัยรัชกาลที่6ค่ะตั้งกองเสือป่ารักษาดินแดนขึ้นก็ได้มีการซ้อมรบพระองค์ได้มาพลับพลาที่เสือป่าขึ้นที่นั่นที่วัดโคกอีแรงนั่นแหละนะคะ การเวลาต่อมาวัดจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดพระพลาชัยเรื่องราวสยองขวัญของวิญญาณคนตายที่วัดนี้ก็มีเล่าขานกันอยู่เนืองๆทั้งทั่วบริเวณวัดแล้วก็ในโรงเรียนพระปลาชัยด้วยเคยมีเด็กนักเรียนพบเจอสิ่งแปลกๆอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงยุคนี้ค่ะเรื่องราวในอดีตก็ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมๆกันกับกิจวิสาขความเฮี้ยนที่เคยมีก็ไม่ค่อยได้มีใครเห็นอีกแล้วนะคะ ต่อมาเป็นวัดปทุมคงคาคุณผู้ฟังสถานที่เฮียนสุดท้ายเลยก็คือวัดปทุมคงคาค่ะเป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่สมัยอยุทยาต่อมาถูกทิ้งเป็นวัดร้างที่ห่างไกลผู้คนดูวังเวงน่ากลัวในเวลาต่อมาได้ใช้เป็นลานประหารบรรดาชาติพระวง์หลายๆพระองค์ เรื่องเล่าของวัดนี้ยังมีเรื่องของต้นอโศกผีสิงซึ่งเมื่อก่อนในวัดมีต้นอโศกอายุร้อยปีหาตั้งตร anggan อยู่ในวัดชาวบ้านย่านนั้นเล่านะฮะว่ามีวิญญาณปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆในหลากหลายรูปแบบแล้วก็มักจะหายวับเข้าไปในต้นอโศกเรียกว่าเฮี้ยนจนชาวบ้านหวาดกลัวไม่กล้าเข้าวัดจึงถูกโค่นทิ้งลงในปี2495 เรื่องราวทั้งหมดจึงเงียบลงได้จะว่าเป็นความสบายใจคลายความระแวงของผู้คนข่าวลือน่ากลัวทั้งนั้นจึงยุติลงก็น่าจะใช่นะคะวัดสุดท้ายค่ะที่ขึ้นชื่อที่สุดเลยเรื่องของความน่ากลัวนั่นคือวัดสะเกดนะคะเป็นวัดที่คุณผู้ฟังหลายท่านคุ้นเคยกันดีค่ะย้อนกลับไป ในสมัยรัชกาลที่1ศูนย์รวมของชุมชนบ้านเรือนผู้คนจะอยู่ในกำแพงเมืองส่วนด้านนอกกำแพงจะมีการทำนาหรือเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่นะคะ ภายในกำแพงเมืองนี้ถือธรรมเนียมกันว่าหากมีคนเสียชีวิตจะต้องขนศพออกไปเผาด้านนอกกำแพงเมืองแล้วทางออกที่ใช้ขนศพออกไปก็คือประตูทางที่ตะวันออกของเมืองซึ่งเมื่อระบุตามตำแหน่งก็คือบริเวณใกล้สีแยกสำราญราศในปัจจุบันนั่นเองประตูนี้ถูกเรียกขานกันว่าประตูผีค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโรคระบาดในพระนครแล้วก็เมืองใกล้เคียงในรัชกาลที่สอง ด้วยโรคค่ะหรือว่าโรคอฮิวาตกรโรคระบาดไปทั่วนะคะก็เลยทำให้มีคนตายหลายหมื่นคนค่ะศพจำนวนมากถูกลำเลียงผ่านประตูผีไปยังวัดสะเกตซึ่งอยู่ติดกันเรียกกันนะคะว่ามีศพมากมายกองพเนนวัดไม่สามารถเผาหรือว่าฝังได้ทันก็เลยต้องขุดหลุมขนาดใหญ่แล้วก็ฝังลงไปในหลุมคราวเดียวกันแต่ว่าศพจานวนมากมันคือมันมากเกินไปอะค่ะทให้ฝูงแรง้งแห αι, ม่มาจิกยินซากศพกันเป็นอาหาร ครั้นมาสมัยรัชกาลที่3และสมัยรัชกาลที่5ก็ยังคงเกิดโรคระบาดซ้ำขึ้นวัดสะเกดก็ยังประสบปัญหาเผาศพไม่ทันเหมือนเดิมค่ะก็เลยทำให้กลายเป็นแหล่งหากินของฝูงแร้งที่มาจิกกินซากศพจนมีคำเรียกนะคะว่าแร้งวัดสะเกดเกิดขึ้นในช่วงนั้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะไม่มี ในส่วนของประตูผีให้เห็นกันแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีการตัดถนนค่ะซึ่งตัดถนนบำรุงเมืองผ่านประตูผีแล้วก็มีการรื้อถอนประตูเมืองแล้วก็กำแพงออกไปประตูผีจึงเหลือแค่ชื่อไว้ให้ระลึกถึงแม้ว่าภายหลังจะเปลี่ยนชื่อเรียกตามประตูผีมาเป็นสำรานราชเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ตามแต่ชื่อประตูผีก็ยังเป็นชื่อเรียกติดปากของผู้คนตราบจนปัจจุบันนี้ซึ่งทุกวันนี้กลายเป็นที่ที่ของกินอร่อยที่สุดแล้วก็เต็มไปด้วย ร้านอาหารชื่อดังไม่ว่าจะเป็นร้านผัดไทยหอยทอดข้าวต้มเป็ดที่ถูกค้ำคืนค่ะจะมีคนมายืนรอคิวซื้อกินกันอย่างคึกคักไม่เหลือความน่าวังเวงและก็ความน่ากลัวให้เห็นกันอีกแล้วค่ะพูดถึงเรื่องราวของวัดที่ผีดุที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสิบเรื่องผีชวนขนลุกในโรงพยาบาลกันบ้างนะคะ ขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลแล้วถือว่าเป็นสถานที่ที่มีคนตายมากที่สุดค่ะแล้วก็แน่นอนว่าพอมีคนตายก็ต้องมีวิญญาณก็ต้องมีผีซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมเอาสิบเรื่องผีเรื่องหลอนทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลมาให้ทุกคนได้ขนหัวลูกไปพร้อมกันเรื่องที่สินะคะนักศึกษาแพทย์โดนดีค่ะทีนี้เนี่ยทุกคนต้องรู้ว่ากว่าจะได้เป็นหมอเนี่ยหรือว่านักศึกษาแพทย์ทุกคนต้องผ่านการเข้าเวรดึกกันมาทั้งนั้น วันนั้นเวลาประมาณ4ี่ห้าทุ่มนักศึกษาแพทย์ชายคนนึ่งกำลังจะเดินเปลี่ยนวอร์ดบรรยากาศตามทางเดินไปยังลิฟต์ก็เงียบสงัดดีค่ะไม่มีแม้กระทั่งคนอยู่แถวนั้นแต่ว่าอยู่ๆนะคะพอเงยหน้าขึ้นไปยังทางเดินก็พบกับชายใส่ชุดสีกากีเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาส่งของแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆค่ะกลับรู้สึกขนลุกขึ้นมาทั้งตัวพอมองไปที่ชายคนนั้นสังเกตเห็นว่าแขนทั้งแขนแล้วก็ทั้งไหล่แล้วก็ขา ไม่ได้ขยับแม้แต่น้อยจนเมื่อเดินสวนกันถึงได้เห็นว่าชายคนนั้นไม่มีขาแล้วก็ยังคงลอยอยู่ในอากาศพอเห็นแบบนั้นเขาต้องรีบวิ่งไปที่ลิฟต์นะคะโดยก่อนลิฟต์จะปิดชายชุดกาะกีคนนั้นก็หันหน้ามาแล้วก็ยิ้มให้เขาเรื่องที่9ก้าค่ะเป็นเรื่องผีหัวขาดที่ห้องน้าเรื่องนี้เคยเป็นข่าวที่ทำเอาคนอยุทยานี่ไม่กล้าไปโรงพยาบาลกันยกใหญ่เลยนะคะเพราะว่าใครๆก็พากันพูดถึงผีหัวขาดกันทั้งนั้นค่ะ เรื่องมีอยู่ว่าชาวบ้านคนหนึ่งได้ไปเฝ้าพี่สาวที่โรงพยาบาลซึ่งก็ได้พักที่ห้องผู้ป่วยรวมทำให้ต้องใช้ห้องน้ําส่วนรวมนะคะจากที่สังเกตก็ไม่ได้มีญาติคนไข้หรือว่ า, ามีใครที่เป็นผู้ชายเลยจนกระทั่งเวลาประมาณสองทุ่มเธอก็ได้เข้าห้องน้ํา พอเปิดประตูห้องน้าไปก็พบกับผู้ชายใส่เสื้อสีชมพูตัวสูงก็เลยแปลกใจค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีผู้ชายมาเยี่ยมไข่เลยแม้แต่คนเดียวก็เลยหันกลับไปมองดูที่เตียงนั้นทั้งหลายเตียงเลยแต่พอหันกลับมาทำเอาตกใจแทบเป็นลมเพราะว่าผู้ชายคนเดิมยืนคู่กับผู้หญิงสาวหัวขาดแล้วก็มือขวาของชายคนดังกล่าวเนี่ยยังหิ้วหัวของหญิงสาวคนนั้นไว้ด้วยก็เลยรีบวิ่งเพื่อไปถามพยาบาลค่ะโดยพยาบาลก็ไม่ได้มีท่าทีตกใจตอบ สั้นๆว่าอ๋อมีคนเจอแบบนี้มา2คนแล้วค่ะเรื่องที่8ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของอพี่น้องลูกคุณหมอนะคะเป็น2พี่น้องค่ะที่ได้ตามพ่อออกมามาออกเวรที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณ5้าทุ่มกว่าแล้วทั้งคู่ก็เบื่อกับการนั่งอยู่เฉยๆก็เลยพากันมาออกเดินเล่นแถวนั้นซึ่งหารู้ไหมว่ามันคือห้องดับจิตพอเดินไปเดินมากลับหลงทางหาทางไปห้องของพ่อไม่ถูก อยู่ๆก็มีผู้หญิงคนนึงใส่ชุดคนไข้เดินมาบอกว่าจะช่วยพาไปส่งให้เพราะว่าแถวนี้มันอันตรายผีเยอะทั้งคู่ก็เลยเดินไปเรื่อยๆจนสังเกตเห็นสายสินผูกที่ข้อมือค่ะแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรจนพามาส่งถึงที่ทั้งคู่ก็เลยหันไปขอบคุณผู้ป่วยคนนั้นเธอได้บอกว่าเธอยินดีที่จะช่วยและเหงามากทว่างก็อยากให้ไปคุยเป็นเพื่อนเธอที่ห้องหนึ่งา พอเธอเดินกลับไปน ะ, ะ่คะทั้งคู่ก็เดินเข้าไปในห้องพยาบาลต่างมองทั้งคู่เป็นตาเดียวแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้คุยกับใครทำไมไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นเลยพอตอนเช้าก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังพ่อก็เลยพาไปที่ห้องหนึ่งค่ะแต่ว่าพอไปถึงพยาบาลกลับบอกว่าคนไข้ห้องนี้เสียชีวิตไปเมื่อสองวันที่แล้วค่ะคุณหมอเรื่องที่7ค่ะห้องคลอดสยองขวัญ เมื่อประมาณ 2-3 าปีที่แล้วได้มีเด็กวัยรุ่นพามา่าผู้หญิงคนหนึ่งมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลซึ่งทั้งแม่และก็ลูกปลอดภัยดีค่ะแต่ว่าผ่านไปหนึ่งวันก็มีคนพบศพเด็กถูกกดน้ำตายในห้องน้ำพร้อมกับพามา่าคนนั้นก็หายตัวไปซึ่งเรื่องราวสุดหลอนก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะว่าบรรดาแม่ทั้งหลายที่มาคลอดลูกที่นี่มักจะเจอดีค่ะทั้งเจอผีเด็กมาดูดนมบ้าง มาร้องไห้ที่ข้างเตียงบ้างพยาบาลเลยต้องหาวิธีแก้โดยเอาของเล่นแล้วก็นมมาวางไว้ให้ในห้องน้ํานั้นซึ่งนานๆทีก็จะมีคนได้ยินเสียงหัวเราะบ้างเสียงของเล่นบ้างทั้งๆ ท, ที่ห้องน้ํานั้นไม่มีใครอยู่เลยเรื่องที่ 6. ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องญาติมาเยี่ยมเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนกลางวันแสกๆเลยนะคะที่หมอเดินเข้าห้องมานี่กําลังจะเข้าไปตรวจคนไข้ที่ห้องรวม พอเดินเข้ามาก็ต้องหยุดชะงักเล็กน้อยกับภาพที่เห็นคือมีญาติคนไข้ามาเยี่ยมซึ่งคนไข้คนนั้นนอนโรงพยาบาลมามากกว่า1เดือนละแต่ก็ไม่เคยมีญาติมาเยี่ยมเลยพอเห็นอย่างนั้นหมอก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็เดินไปตรวจเตียงอื่นแต่พอถึงคิวของคนไข้คนนั้นหมอได้พูดว่าวันนี้ดีจังเลยนะมีคนมาเยี่ยมด้วยคนไข้ทำหน้า ง, งงแล้วค่ะแล้วก็บอกใครมาเยี่ยมไม่มีใครมานี่พยาบาลก็งงด้วยงงกันเป็นแถบเลย เพราะว่ายืนยันได้ว่าไม่มีใครมาขอเยี่ยมหมอก็เลยบอกว่าผู้ชายคนนั้นไงที่ใส่เสื้อสีฟ้าหน้าตาคล้ายคนไข้เลยคนไข้ก็เลยนิ่งไปแล้วก็บอกว่าอ๋อนั่นอาจเป็นน้องชายของเขาที่ตายไปแล้วซึ่งตอนจะเผาก็ใส่เสื้อสีฟ้าแบบที่คุณหมอบอกเดะเลยเรื่องที่5ค่ะเป็นเรื่องห้องชนสุตรศพค่ะเป็นเรื่องที่ผู้ช่วยชนสูตรศพเจอมากับตัวซึ่งวันนั้นเป็นเวรดึกของแกเองที่ดันนะคะเป็นวันที่พายุเข้าฝนตกหนัก อยู่ๆก็มีเคสผู้หญิงผูกคอตายเข้ามาตอนนั้นแกทำอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องรอหมอจนเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงค่ะหมอก็ยังไม่มาขณะที่กำลังจะเคลิ้มหลับไฟก็ดับนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของวันฝนตกค่ะผ่านไปสักพักหนึ่งไฟของตึกอื่นก็เริ่มสว่างขึ้นแต่ว่าตึกนิติเวศ ท, ที่แกอยู่เนี่ยเอ๊ะทไมมันยังมืดสนิทด้วยความเบื่อ ก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันใดก็มีเสียงดังก๊อกก๊อกดังขึ้นตอนนั้นก็คิดว่าเป็นหมอค่ะแต่พอเปิดกลับไปไม่เจอใครก็เลยคิดว่าเอออาจจะเป็นพวกโจรมาขโมยศพหรือเปล่าพอแกกำลังจะ ก, กลับไปนั่งที่เสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ดังมากค่ะเหมือนเคาะมาจากห้องเก็บศพข้างๆก็เลยตัดสินใจหยิบมีดแล้วก็เดินไปที่ห้องเก็บศพ ขณะนั้นก็ได้ยินเสียงครางเป็นฮือฮือนะคะแล้วก็เสียงกรีดดังลั่นไปทั่วห้องก็เลยรีบเปิดประตูเข้าไปพบผู้หญิงกำลังผูกคอตายอยู่เหนือที่วางศพก็เลยรีบขึ้นไปตัดเชือกให้แต่พอเขาตัดเท่านั้นแล้วะคะสิ่งที่ตกลงมากลับไม่ใช่ร่างคนแต่ว่าเป็นหัวที่กลิ้งไปตกอยู่ที่พื้นพอเจ้าหน้าที่คนนั้นมองไปศบตากับศพนั่นนะคะเธอก็พูดขึ้นบอกว่าพี่ช่วยหนูด้วย เรื่องที่4ี่ค่ะคนรู้ฟังเป็นเรื่องเพื่อนข้างเตียงเรื่องของคนไข้เด็กสองคนที่นอนเตียงตรงข้ามกันโดยทั้งคู่ต่างก็อยู่โรงพยาบาลมานานหลายเดือนจนมีเด็กคนนึงเสียชีวิตไปก่อนด้วยโรคประจําตัวหลังจากนั้นไม่กี่คืนขณะที่หมอสองคนกำลังพยายามเจาะเลือดเด็กอีกคนที่ยังมีชีวิตอยู่อายุประมาณสองขวบนะคะเขาก็ได้พูดชื่อของเด็กที่เพิ่งตายไปออกมา พูดไม่หยุดหมอก็เรียกหมอห้ามยังไงก็ไม่ฟังและขณะที่เรียกตาก็จ้องมองไปยังเตียงตรงกันข้ามที่ว่างเปล่านั้นแล้วก็พยักหน้ายิ้มแย้มเหมือนกำลังพูดคุยกันอยู่กับใครเล่นเอาคุณหมอกับคุณพยาบาลนี่ขนลุกเดินหนีไปทำใจกันเลยทีเดียวนะคะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องนี่มันที่ของหนูนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่ได้เข้าทาการผ่าตัด จึงทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลซึ่งเขาก็ใต้ขอนอนที่ตึกใหม่เพราะว่าตึกเก่าเนี่ยมันมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายพอได้นอนที่ตึกใหม่วันแรกก็ยังไม่เจออะไรหรอกค่ะแต่คืนที่สองแะค่ะขณะที่กำลังจะเคลิ้มหลับไปได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเข้ามาหาทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้เปิดประตูห้องและก็ลืมตาขึ้นก็สบกับสายตาเด็กผู้หญิงคนนึง ตัวซีดเผือดเลยใส่ชุดโรงพยาบาลพร้อมกับมองมาที่เขาแล้วก็พูดบอกว่าออกไปนะที่นี่ที่ของหนูพร้อมกับปีนขึ้นเตียงจะมานอนด้วยตอนนั้นสติสตังก็ไม่ค่อยมีก็เลยได้แต่บอกว่าขอนอนคืนนึงนะแล้วจะไปพอพูดจบร่างเด็กน้อยคนนั้นก็จางหายไปคืนเดียวกันค่ะทั้งๆที่หลับไปแล้วก็กลับได้ยินเสียงเด็กผู้ชายดังขึ้นบอกซื้อพวงมาลัยไม่ลุงตอนนั้นคิดว่าตัวเองฝันละเพราะว่าโรงพยาบาลนี่ห้ามให้คนขึ้นมาขายของอยู่แล้ว แต่ว่าพอลืมตาตื่นขึ้นมากลับเห็นเด็กชายคนหนึ่งหาะยืนถือพวงมาลัยอยู่ตัวเต็มไปด้วยเลือดและที่สำคัญขาทั้งสองข้างหายไปเรื่องที่2องค่ะเป็นเรื่องระวังปากพาซวยเป็นเรื่องของคนขับรถส่งของเนะคะทีะ่โรงพยาบาลค่ะก็มีหัวหน้ามีหน้าที่ขับรถส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งก็มักจะมีเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นเสมอเหมือนกันกับครั้งนี้ ที่คนขับรถต้องไปส่งคนไข้ที่บาดเจ็บสาหัสโดยระยะทางค่อนข้างไกลพอสมควรพอไปถึงก็ส่งให้อีกโรงพยาบาลหนึ่งดูแลซึ่งเวลาผ่านไปประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะคนขับรถก็ได้รับโทรศัพท์ว่าให้ไปรับศพของคนไข้คนเดิมกลับมาตอนนั้นเขาเพิ่งจอดรถได้ไม่นานก็เลยสะบัดออกมาบอกว่าทาไมรีบตายจังวะเนี่ยตายพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ได้ พอไปรับศพขากราบค่ะอยู่ๆก็เห็นผู้ชายคนนึงเดินอยู่ข้างทางทั้งทางที่ตอนนั้นเกือบจะตีสาแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอขับไปสักสิบนาทีอ่ะเห็นเหมือนเดิมอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมตอนนั้นใจคอเริ่มไม่ดีละเหยียบคันเร่งเพราะว่าอยากจะไปให้ถึงไวๆแต่ก็ต้องเหยียบเบรกกระทนหันเพราะข้างหน้าคือผู้ชายคนนั้นที่ยืนชี้มาที่รถและพูดเสียงดังว่าด่ากูทําไมตอนนั้นก็รู้เลยนะฮะว่านั่นคือคุณลุงที่นอนอยู่หลังรถ ก็เลยรีบเหยียบคันเร่งหนีระหว่างนั้นก็มีเสียงทุบเสียงตีดังอยู่ที่หลังรถตลอดเวลาจนรถนี่เกือบจะชนกันเขาก็ได้ขอโทษสรพพสิ่งวิญญาณที่ได้ล่วงเกินจนไม่เกิดเหตุร้ายขึ้นนะคะอันดับหนึ่งค่ะโรงพยาบาลผีสิงนี่เป็นเรื่องของโรงพยาบาลร้างที่ว่ากันว่าปิดตัวลงเพราะความเฮี้ยน ขนาดกลางวันแสกๆนะคุณผู้ฟังยังมีคนเห็นรถเข็นคนไข้เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาหนะ้าอาคารบางวันหมาอยู่ดีๆมันก็หอนพร้อมเพรียงกันอย่างไม่มีสาเหตุประหนึ่งว่าแข่งขันโอเปรา่าซึ่งเรื่องต่อไปนี้เกิดขึ้นกับคุณป้าคนหนึ่งค่ะที่วันนั้นดันกลับบ้านดึกก็เลยเรียกแท็กซี่เข้าไปในซอยซึ่งก็คือซอยเดียวกันกับโรงพยาบาลนั่นแหละนะคะขับไปใกล้จะถึงหน้าโรงพยาบาลแท็กซี่ก็หลบซ้ายกระทันหันป้าก็เลยถามทำอะไรนะ่ะ แท็กซี่เลยบอกว่ามีรถพยาบาลตามหลังเกิดไฟเกิดเปิดไฟขอทางก็เลยต้องแอบให้ตอนนั้นคุณป้าก็ขนลุกซู้ค่ะเพราะไม่มีทางที่จะมีรถพยาบาลเข้ามาในนี้ก็เลยบอกว่านั่นมันรถผีสิงแท็กซี่กลัวค่ะก็เลยจอดให้ป้าลงตรงนั้นเลยแกก็เลยต้องเดินเข้าไปพอเดินไปเดินไปได้ยินเสียงคนโหยหวนบ้างได้ยินร้องไห้บ้างมองเข้าไปในโรงพยาบาลก็เห็นไฟเปิดอยู่ทําเอาแกตกใจจนหมดสติ ตื่นมาอีกทีหนึง่งก็เหมือนคนสติไม่เต็มเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ผ่านไป 3-4 สี่วันแกก็ผูกคอตายในห้องน้ำนะคะโธ่ ป้านะป้าไม่น่าไปบอกแท็กซี่เลยท้าไม่บอกแท็กซี่เนี่ยปล่อยให้แท็กซี่ดนหลอกอยู่คนเดียวน่าจะโอเคกว่านะคะเอาละค่ะนี่คือ5วัดผีเฮียนและก็สิบโรงพยาบาลที่ผีดุนะคะเป็นเรื่องเล่าโดยที่เราไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อโรงพยาบาลได้หมดเวลาของคลิปนี้แล้วนะคะในคลิปพระเจอผีค่ะงไงขอบคุณสําหรับการติดตามและฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้บีด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ